Thank you. สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักในโอกาสที่จะใกล้ถึงวันแม่ในปีนี้ผู้ฟังที่รักในโอกาสที่จะ ในยามวิกฤตของสังคมปัจจุบันยามวิกฤต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 เราอาจสูญเสียบางอย่างไปแต่ก็เป็นเพียงส่วนเกินที่เรา ดาวหันมามองสภาพอันแท้จริงที่เกิดขึ้นกับ ถ้าเปรียบเทียบกับคนอีกจํานวนไม่น้อยที่ด้อย เรเรเรเราในเมื่อยามยากของชีวิตมาถึงมีสถานที่ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะกินจะ เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้และหัน เรายังมีที่พึ่งพาอาศัยยังมีที่พึ่งพาอาศัยเพียงแต่อาจจะไม่สะดวกสบาย มีซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ง กระทั่งต้องเข้านอนโรงพยาบาลเธอคิดมากกังวลว่าลูกจะมีปมได้ลูกจะอยู่ในสังคม ก็หวังว่าจะเป็นทุนรอนให้ลูกในวันข้างหน้าความ ครั้งที่ 2 ตกใจมากนึกไม่ถึงว่าอาการของแม่จะหนักขนาดนี้แม่เอา อนุพยายามจับมือให้แน่นดวงใจของเธอเอาไว้พยายาม เธอลืมตาขึ้นมองหน้าลูกด้วยความดีใจ เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับแม่เป็นของที่จะต้องอยู่ในสังคมโดยไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเช่นแต่ก่อนเธอถามลูกแม่ตายก็หา ลูกเราไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเรายังมี คำพูดของลูกสาวได้ให้สติแก่แม่ของเธอเป็นอย่างมากเธอพะงกศีรษะรับและๆ มิใช่ลูกสาวของเธอทั้งสวยทั้งเก่งลูกรักงดงามลูกสัญญากับแม่นนะนั้นลูกสาวของเธอ ถ้าแม่ก็จะสบายใจให้ทํามั่นสัญญากับแม่แม่ก็จะสบาย เมื่อรู้ว่าว่าลูกรักของผมจะเป็นลูกที่ดีของแม่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบมีปมด้อยใด อยากให้แม่สบายใจให้แม่สบายใจอยากเห็นรอยยิ้มอันงดงามของแม่แม่ให้อย ที่ไม่สะทกสะทานหวั่นไหวต่อเหตุการใดๆจริงๆนะแม่ลูกชายพูดขึ้นพร้อมกับจ้อง คําพูดเพียงไม่กี่ประโยคพูดเพียงไม่กี่ประโยคได้เป็นประหนึ่งทิพยโอสถ เราเรามีบ้านอยู่เรามีข้าวกินอวดเพียบพร้อมนะหามไม่ได้แม่เรามีบ้านอยู่เรามีข้าวกิน แม่วันนี้เป็นวันของแม่ลูกของแม่อยู่ที่นี่อยู่กับแม่อยู่เขียงข้างแม่เข้มลูกของแม่อยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันของลูกของแม่อยู่ที่ จะหาอาหารที่ใดมาใส่ท้องยังมีคนอีกมากร้นที่ไม่รู้ว่าอาหารที่ใดมาใส่ท้องยังมีๆที่ไหนหนุนจะหาผ้าที่ไหนห่มให้อุ่นกาย ความสุขความทุกข์ของแม่อยู่กับลูกๆทุกแม่ลูกโตพอที่ ต้องรู้ต้องเผชิญด้วยตัวเองพวกเรารับได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตัวกระทั่งลูกแปลกใจว่าแม่กําลังจะไปไหนแม่ แล้วเธอก็ขออนุญาตคุณหมอกลับบ้าน เธอกราฟพร้อมการปรับเปลี่ยนแนวคิดกอดเริ่มต้นจากคนในครอบครัวทั้งจิตใจต้องมั่นคงไว้ <นะ. S 1> คือการขาดกําลังใจต่อกันขอ